สลสมร็จสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนาคืนแห่งความสมร็จน้ำซับน้ำซึมด้วยสติปัญญา เทศอบรมพระตอนหนึ่งของหลวงตากล่าวถึงความเพียรในการบำเพ็ญจิตตภาวนาของท่านในระยะนั้นว่าเป็นไปเองโดยไม่ต้องได้บังคับทั้งนี้เป็นผลมาจากภาวนามย ป, ปัญญาอันเป็นสติปัญญาที่หมุนตัวเองโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการบังคับบัญชา ในเรื่องความภาคความเพียรเลยกลับต้องได้รั้งเอาไว้มิเช่นนั้นแล้วสติปัญญานี้จะทำงานจนเลยเถอดด้วยเพราะเห็นโทษแห่งวัฏจักรอย่างถึงใจนั่นเองใจจึงมีกำลังมากที่จะถอนตัวออกจากทุกอย่างเต็มเหนียวโดยไม่มีคำว่าเป็นว่าตายเลยท่านกล่าวว่า สติปัญญาขั้นนี้ก้าวแล้วทีนี้เบิกกว้างเบิกกว้างออกเรื่อยเื่อเรื่องกิเลสตัณหาวัตตจักวัตตะวนหมุนภายในดวงใจนี้เหมือนกับว่ามันหดย่นเข้ามาหดย่นเข้ามาทางเบิกกว้างที่จะหลุดพน้นจากทุกขเบิกกว้างออกเบิกกว้างออกสติปัญญาหมุนตัวเป็นธรรมจัก นี่เรียกว่าทำทำงานทำมีกํำลังย่อมหมุนตัวกลับเหมือนกันกันกบกิเลสที่มันมีกําลังหมุนหัวใจของสัตว์เป็นวัฏจักรไปตามๆกันหมดไม่ว่ากิิยาใดของกิเลสที่มันแสดงตัวออกมามันทำงานเพื่อวัฏจักรของมันทั้งนั้นทั้งนั้นทีนี้เมื่อสติปัญญา อันเป็นฝ่ายทา ม, มีกำลังแล้วหมุนกลับทีนี้หมุนกลับโดยอัตโนมัติเหมือนกิเลสมันหมุนอยู่ในหัวใจสัตว์โลกเป็นอัตโนมัติของตัวเองนั่นแหลพอถึงขั้นสติปัญญาขั้นนี้แล้วเป็นหมุนกลับเป็นหมุนกลับตลอดเวลาไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนเว้นแต่หลับอย่างเดียวเท่านั้นนอกจากนั้น สติปัญญาขั้นนี้จะฆ่ากิเลสตลอดเวลาโดยอัตโนมัติหมุนติวติวกิเลสขั้นหยาบหมุนหนักเรียกว่าปัญญาขั้นผาดผนโจรทยานเหมือนว่าฟ้าดินถล่มปัญญาขั้นหยาบกับกิเลสขั้นหยาบหยาบฟัดกันพอจากนั้นแล้วสติปัญญาก็ค่อยเบาไปเบาไปกิเลสเบาลงเบาลง สติปัญญาก็ค่อยเบาไปตามๆกันหมุนไปตามๆกันเป็นน้ำซับน้าซึมน้ำซับน้ำซึมกิเลสซึมซาบไปไหนสติปัญญาขั้นอัตโนมัติก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญาแล้วซึมซาบไปตามๆกันเลยเหมือนไฟได้เชือ้อเอา้าละเอียดขนาดไหนสติปัญญานี้ ก็ละอียดตามกันไปตามกันไปโดยอัตโนมัติ